ประพุทธคุณบทว่าอรหังนำในความหมายว่าโหหักตรมแห่งสังสารจักรํานี้มีความหมายที่ลุ่มลึกทั้งมีศัพท์ที่ควรจะ อธิบายที่วานลุมลึกนั่นอันที่จริงก็เป็นสัจจะคือความจริงซึ่งเป็นธรรมดาเมื่อตั้งใจฟังตั้งใจพิจรารณาก็ย่อมจะเข้าใจได้อันสัจจะคือความจริงนั่นก็จะต้องมีระดับเหมือนอย่าง มหาสมุทรซึ่งจะต้องมีระดับของความลึกแต่ว่าลึกลงไปโดยลำดับตั้งแต่ฝั่งแห่งมหาสมุทรและค่อยๆลึกลงไปจนถึงลึกอย่างยิ่งอันนี้แหละที่เรียกกันว่าเป็นปรมัตถธรรมคือธรรมะที่มีอัฏฐะคือเนื้อความเป็นอย่างยิ่ง คือละเอียดก็อย่างยิ่งลึกก็อย่างยิ่งแหละให้ผลก็อย่างยิ่งแม้ว่าจะมีลักษณะดังกล่าวก็อาจอยังถึงได้ด้วยปัญญาที่ยังรู้เหมือนอย่างมหาสมุทรแม้จะลึกซึ้งเท่าไหร่ ก็อาจที่จะวัดได้ด้วยเครื่องวัดที่สามารถอย่างถึงส่วนลึกที่สุดของมหาสมุทรปัญญาก็เช่นเดียวกันก็สามารถอย่างรู้ได้และก็ปัญญาของทุกคนนี้เองเพราะทุกคน ผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่แปลว่าผู้มีมณะสูงมณะนั่นแปลกันว่าใจผู้มีใจสูงแปลว่าความรู้ก็แปลว่ามีความรู้สูงเพราะฉะนั้นจึงอาจที่จะอบรมความรู้ที่มีอยู่เป็นพื้น ที่เป็นสชาติปัญญาปัญญาที่เกิดมาพร้อมกับชาติคือความเกิดนี้ให้เขียบแหลมมากขึ้นให้เป็นความรู้ที่ยิ่งขึ้นก็จะสามารถยังรู้ถึงได้โดยลำดับเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่ายากก็จะเหมือนกับง่าย ในเมื่อได้อบรมปัญญาคือความอย่างรู้ให้อย่างไปโดยลำดับเหมือนอย่างการขึ้นบันไดสู่ที่สูงถ้ามองดูบันไดขั้นต่ำที่สุดกับบันไดขั้นสูงที่สุดก็จะเห็นว่า อยู่ห่างไกลกันถ้าไม่มีบันไดก็ไม่สามารถจะขึ้นไปได้แต่เมื่อมีบันไดที่เป็นขั้นขั้นขึ้ น, นไปแม้ว่าขั้นต่าสุดกับขั้นสูงสุดจะห่างไกลกันเท่าไหร่ก็ตามเมื่อขึ้นไปโดยลำดับแล้วก็เหมือนง่าย ก็จะขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดได้และก็ถึงที่สูงสุดที่ต้องการฉะนั้นปัญญาที่ยังรู้ไปโดยลำดับนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งทุกคนสามารถอบรมให้มีได้และเมื่อมีขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าธรรมะนั้นเป็นธรรมดาเป็นสัจจะคือความจริง ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดธรรมดาหรือไม่ใช่เป็นสิ่งที่เนื้อความจริงไม่ใช่ความจริงแต่เป็นสัจจะคือความจริงเป็นธรรมดาจึงไม่ต้องกลัวความจริงไม่ต้องกลัวธรรมดาขอให้ตั้งใจฟังตั้งใจพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าเป็นความจริง และเป็นธรรมดาจะจับกล่าวถึงอัฏฐะคือเนื้อความของความหมายแห่งพระคุณบทอารหังว่าภูหักกรรมแห่งสังสารและจับสังสาระหรือสงสารแปลว่าทองเที่ยวไปจักก็คือจักกะ ริจกระที่แปลว่าล้อล้อแห่งเวียนล้อแห่งรถก็เรียกว่าจักรคือจัก ร, ห ร, กรหรือจักรสังสาริจก็คือล้อแห่งการท่องเที่ยวไปหรือว่าล้อที่เป็นเครื่องท่องเที่ยวไปคือ ล้อที่หมุนนำให้ท่องเที่ยวไปและกรรมของสาระจักก็คือกรรมของล้อแห่งการท่องเที่ยวไปดังกล่าวอันล้อนั้นพระอาจารย์ ได้แสดงไว้ว่าย่อมมีดมมีกรรมมีกองนำเข้ามาเทียบกับธรรมะที่จัดแสดงในปฏิจจสมุปบาทคือธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นท่านเทียบไว้ว่าดม ก็เปรียบเหมือนอย่างอาวิชชากงก็เปรียบเหมือนชารามรณะุมคืออวิชชาเป็นต้นกงคือชารามรณะซึ่งหมายรวมถึงโสกะปนิเทวะเป็นต้นด้วยก็เป็นเหมือนกงเป็นปลายส่วนกรรม ก็เหมือนอย่างปัจจยาการที่เหลือทั้งหมดระหว่างอาวิชชาและชรามารณะพร้อมทั้งโสกบริเทวะเป็นต้นในความหมายแห่งพระพุทธคุณบทนี้ที่ว่าผู้หักกรรม แห่งสังสาระจักหักกรรมแห่งล่อแห่งสังสาระหรือสงสารคือความท่องเที่ยวไปเมื่อหักเสียได้ก็ทำให้ล่อหมุนไปไม่ได้จึงทําให้ต้องหยุดการท่องเที่ยวไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงละอวิชชาดับอวิชชาและดับปัจจยากรรถัดจากอาวิชชาเป็นโดยลำดับจนถึงดับชรามารณะพร้อมทั้งโสกับบริเทวะเป็นต้นจึงเป็นอันว่าได้ทรงหักกรรมและเมื่อหักกรรมได้ ก็เป็นอันว่าหักดุมหักกรงของล้อนนี้ได้ทั้งหมดเป็นอันว่าหักทำลายล้อที่ให้ท่องเที่ยวไปได้ทั้งหมดก็คือทรงดับกิเลสและกองทุกได้ทั้งหมดนั่นเองการท่องเที่ยวไปนั่น ก็หมายความว่าท่องเที่ยวไปในกิเลสและในกองทุกซึ่งมีชาติชรามรณะเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันว่าดับกิเลสดับกองทุกมีชาติชรามรณะได้คือดับ ปัจจัยการได้ทั้งหมดความท่องเที่ยวไปนั้นเมื่อกล่าวตามหลักของปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นก็คือท่องเที่ยวไปในปัจจัยการอาการที่เป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันบังเกิดขึ้นนี่ คือท่องเที่ยวไปในอวิชชาหรือในอาสวะในอวิชชาเป็นต้นจนถึงชาติชารามรณะโศกปริเทวะเป็นต้นและก็ท่องเที่ยวไปในปัจจยาการดังที่กล่าวมานี้ไม่หยุดคือท่องเที่ยว วนเวียนกันไปในปฏิยาการนี้เป็นวงกลมจากอาวิชาถึงชรามารณะโสกปริเทวะเป็นต้นก็กลับมาอวิชาอีกแล้วก็ไปชรามรณะโสกะปริเทวะเป็นต้นแลกลับมาอวิชาอีกท่องเที่ยวเป็นวงกลมอยู่ดังนี้ไม่ออกไปนอกจากวงของปฏิยาการมีอวิชา รามรณะเป็นต้นฉะนั้นเพื่อความเข้าใจได้โดยรวบรัตจึงย่อลงเป็นสามคือย่อปัจจยาการทั้งหมดลงเป็นสามคือกิเลสกรรมและวิบากกิเลสนั่น คือเครื่องเศร้าหมองที่อาศัยอยู่ในจิตมีอวิชชาตันหาอุปาทานเป็นต้นหรือมีราคาโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงเป็นต้นที่มีอยู่ในจิตใจอาศัยอยู่ในจิตใจนี่เป็นกิเลส และกิเลสนี้เองก็เป็นเหตุให้กระทำกรรมคือการงานที่ทำทางกายทางวาจาทางใจเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นกลางๆมิใช่กุศลไม่ใช่อกุศลบ้างและกรรมคือการงานที่กระทำทางกายวา ทางกายทางวาจาทางใจนี้ก็เป็นเหตุให้ต้องได้รับวิบากคือผลผลของกรรมที่กระทํากรรมดีก็ให้ผลดีกรรมชั่วก็ให้ผลชั่วกรรมที่เป็นกลางกลางก็ให้ผลที่เป็นกลางกลางและวิบากคือผลของกรรมนี้ก็กลับเป็นเหตุ ให้บังเกิดกิเลสขึ้นอีกกิเลสก็เป็นเหตุให้กระทำกรรมอีกกรรมก็เป็นเหตุให้ประสบบิบก ค, คือผลอีกและผลก็เป็นเหตุก่อกิเลสขึ้นอีกเพราะฉะนั้นจึงต่างเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันเป็นวงกลมอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้น เรียกว่าวัตฐะที่แปลว่าวนคือวนเวียนสังสาระคือท่องเที่ยวไปก็ท่องเที่ยวไปเป็นวงกลมคือเป็นวงเวียนอยู่ในกิกรรมมิบากทั้งสมนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกเป็นศัพท์ว่าสังสารวัฏ กอสื่อสังสารวัฏตะที่แปลว่าวนคือการท่องเที่ยวไปหรือว่าการท่องเที่ยวไปเป็นวงเวียนเป็นวงกลมดังกล่าวอธิบายของกิเลสกรรมมีบากนี้อาจอธิบายได้ในปัจจุบันเป็นปัจจุบันธรรม และอาจอธิบายได้เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันในวงใหญ่สำหรับที่เป็นปัจจุบั น, นธรรมนี้เรียกว่าเป็นวงเล็กจิตใจของทุกคนนี้ในปัจจุบันบัดนี้ก็ท่องเที่ยวอยู่ในกิเลสกรรมมบาตรทั้งสามนี้ ยกตัวอย่างกิเลสกรรมบิบากที่บังเกิดขึ้นอาศัยตาและรูปประจบกันก็เช่นว่าตันหาในรูปคือความทยานอยากในรูปที่จะเห็นได้ทางตาเมื่อรูปรตันหาบังเกิดขึ้น ก็ทำให้เกิดเจตนาคือความจงใจต้องการจะดูรูปจะเห็นรูปด้วยตาจึงทำการดูรูปนั่นดังนี้เป็นกรรมคือเป็นความที่จงใจจะดูรูปและทำการดูรูปด้วยตา ดังนี้เป็นกรรมและเมื่อเป็นกรรมคือทําการดูรูปเพราะกิเลสคือรูปปัตนิหาความต้องการที่จะดูรูปเมื่อเป็นกรรมคือทําการดูรูปขึ้นก็ย่อมได้วิบากคือการเห็นรูปได้มองเห็นรูปและเมื่อมองเห็นรูป ซึงเป็นวิบากคือผลของการดูรูปที่เห็นอันเป็นตัววิบากนั้นเมื่อเป็นที่ตั้งของตัณหาของรูปรตัณหาเช่นเป็นรูปที่สวยงามน่ารักน่าชมก็เป็นที่ตั้งของการมาตัณหาและเมื่อเป็นดังนี้การเห็นรูปซึ่งเป็นตัววิบากคือผลนั้น ก็กลับเป็นเหตุให้บังเกิดกิเลสขึ้นอีกคือให้เกิดการมาตัญหาในรูปขึ้นและเมื่อเกิดการมาตัญหาในรูปขึ้นก็เป็นกิเลสก็เป็นเหตุให้ประกอบกรรมคือต้องการที่จะดูรูปและก็ทำการดูรูปนั้นต่อไปอีกแสวงหารูปที่ต้องการนั้นดูต่อไปอีกก็ได้รั บ, บิบาคืคอผลคือการเห็นรูปนั้น เดี๋ยวเมื่อเห็นรูปนั้นเป็นวิบากคือผลรูปที่เป็นติดตังของกรรมตัดหาก็ก่อตามมรดหาให้บังเกิดขึ้นอีกก็เป็นกิเลสก็เป็นอันว่าโกวนเวียนอยู่ในกิเลสกรรมวิบากวิบากกิเลสกรรมวิบากดังนี้แม่ ในทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมณะคือใจก็วนเวียนอยู่ในกิเลสกรรมมือบาคนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกๆวันตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นจนถึงนอนหลับไปใหม่หากพิกจารณาดูโดยในยนี้ก็จะเห็นได้ว่าจะเห็นอะไรได้ยินอะไรเป็นต้น จนถึงได้คิดนึกอะไรทางมโนคือใจก็ตามจะเป็นเรื่องอะไรอะไรร้อยแปดพดซึ่งไม่สามารถจะนับทวนเมื่อกระจายเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ออกไปแต่ว่าก็วนเวียนอยู่ในกิเลสกรรมมิบาเพียงสามนี้เท่านั้นไม่พ้นไปจากกิเลสกรรมมิบาทั้งสามนี้นี่เป็นสังสารวัฏ คือเป็นวงเวียนที่เป็นปัจจุบันธรรมอันเป็นสังสารวัติที่เป็นวงแคบเป็นปัจจุบันธรรมคราวนี้หากจะพิจรารณาย้อนไปถึงอดีตที่ล่วงมา เอาในชาตินี้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันก็วนเวียนอยู่ในกิเลสกรรมมิบากนี้หรือจะคิดไปถึงอนาคตเอาในชีวิตนี้ก็ตั้งแต่อนาคตจากปัจจุบันบัณฑนี้ไปจนตายก็วนเวียนอยู่ในกิเลสกรรมมิบากนี้เช่นเดียวกันคราวนี้เมื่อพิจารณาในวงกว้างไปอีก ถึงอดิตชาติถึงอนาคตชาติที่สืบต่อกันตามหลักที่ว่าเมื่อยังมีกิเลสคือมีทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกติมพระพุทธเจ้าตรัดยกขึ้นแสดงเพียงข้อเดียวคือตัณหาก็จะต้องมีทุกขซึ่งเป็นผลและทุกซึ่งเป็นผลนั้นก็เริ่มตั้งแต่ ชาติคือความเกิดดังที่ตรัสแสดงไว้ในอริยสัจทั้งสี่เพราะฉะนั้นเพราะไม่กิเลสซึ่งถ้าจะไม่ยกเพียงตัณหาข้อเดียวจะยกอีกบางข้อก็ยกตัวอย่างอาวิชาตัณหาอุปาทานยกสามข้อนี้ เมื่อยังมีกิเลสคือยังมีอวิชชาตันหาอุปาทานอยู่ก็จะต้องมีชาติคือความเกิดและเมื่อมีชาติคือความเกิดก็จะต้องมีชารามีมรณะความแก่ความตายอันหมายถึงว่าขันเป็นที่อาศัย นี่แตกสลายเป็นความตายและเมื่อสัตว์บุคคลนั้นยังมีวิชาตันหาอุปาทานอยู่คือยังมีกิเลสก็จะต้องยังมีกรรมและกรรมนั้นก็จะต้องมีชนะกับกรรมนำกรรมที่นำให้ไปเกิด ขึ้นใหม่อีกเป็นชาติชาติใหม่และเมื่อเป็นชาติใหม่ขึ้นก็จะต้องมีชารามรณะและเมื่อยังมีกิเลสมีกรรมก็จะต้องมีชาติคือความเกิดขึ้นใหม่อีกก็เป็นอันว่าต้องเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ดังนี้เรียกว่า เวียนเกิดเวียนตายเพราะฉะนั้นเพื่อให้จับความหมายให้เห็นได้ไกลและลึกซึ้งขึ้นท่านจึงมักแปลอธิบายคำว่าสังสาระคือท่องเที่ยวไปว่าท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายนี้คือสังสารวัตรวัตตะวลคือสงสาร ซึ่งเป็นการยกขึ้นมาให้มองเห็นแต่เมื่อจะยกให้หมดก็คือว่าท่องเที่ยวเวียนอยู่ในกิเลสในกรรมในวิบากคือผลมีชาติชาราบรณะเป็นต้นและเมื่อมีชาติชาราบรณะเมื่อยังมีมีกรรมอยู่ก็เกิดอีกเป็นชาติ เมื่อมีเมื่อมีชายก็ต้องมีชรามารณะเมื่อมีกิเลสมีกรรมอยู่ก็ต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเวียนเกิดเวียนตายอยู่ดังนี้กี่ร้อยปีกี่พันปีกี่หมื่นปีกี่แสนปีก็ตามก็คงเวียนเกิดเวียนตายอยู่ดังนี้ ไม่พ้นไปจากกิเลสกรรมวิบัติหรือไม่พ้นไปจากเกิดแก่ตายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงระลึกถึงชาติในหนหลังได้เมื่อก่อนใน ต, ตรัสรู้อันเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติยานยานที่ระลึกชาติในหนหลังได้ และได้ทรงพบว่าที่เวียนเกิดเวียนตายอยู่ดังนี้ก็เพราะกรรมทำกรรมดีก็ไปเกิดดีทำกรรมชั่วก็ไปเกิดชั่วแต่ก็ยังต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่นั่นเองอันเรียกปัจจุตุปปาฏยานครั้นทรงพบกรรมก็ได้ทรงพบ ก, รรกพบิเลสคือได้ ตรัสรู้พบว่าเพราะยังมีอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานอยู่พระปัญญาที่ตรัสรู้ดังนี้ก็ทำลายอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานได้สิน้นดรายฉะนั้นเมื่อสิ้นกิเลสก็สิ้นกรรมที่จะประกอบประธรรมต่อไป เมื่อสิ่นกรรมก็สิ่นวิบากคือผลคือเกิดแก่ตายที่จะมีขึ้นในชาติภพต่อไปและเมื่อยังทรงพระชนอยู่ประกาศพระาศาสนาก็ทรงอาศัยวิบากขันคือขันนี้เป็นวิบากคือเป็นผลที่ยังเหลืออยู่นี่คือชีวิตนี้ทรง อุทิศชีวิตของพระองค์ทั้งหมดเี่ยังเหลืออยู่นี่ประกาศพระพุทธศาสนาโดยพระมหากรุณาครั้นเมื่อขันเป็นที่อาศัยอยู่นี่ซึ่งเป็นวิบากขันแตกสลายในที่สุดก็ไม่ทรงไปถือชาติพบใหม่เพราะว่าสิ้นกิเลสสิ้นกรรมก็สิ้นวิบากคือผลตั้งตนแต่ชาติ ความเกิดเพราะฉะนั้นจึงทรงดำรงภาวะเป็นพุท ธ, ธะคือเป็นภูตรัสรูซึ่งเป็นภูไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายหรวพพทธเจ้าทรง ห, หักกรรมแห่งสังสาราจกก็คือทรงหักกิเลสกรรมบิบากทั้งสามนี้ืึกราวโดยพิจาราล ก็ทรงหักการการได้ทั้งหมดดับอวิชชาดับอาสวะหรือดับอาสวะดับอวิชชาตลอดจนถึงดับชรามารณะโศกะปริเทวะเป็นต้นได้สิ้นเชิงก็เป็นอันว่าหักกิเลสหักกัง ห, กหักกรรมหักวิบากได้ทั้งหมดก็เป็นอันว่าล้อที่ทําให้ต้องท่องเ ท, ที่ยวเวียนเกิดเวียนตายถูกหักเสียแล้ว ยังไม่ทรงเวียนเกิดเวียนตายต่อไปเป็นภูที่ทรงไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสตดและตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป